สองคำสอนอันสูงสุดคำสอนอันสูงสุดในเรื่องธรรมอันยิ่งที่ได้แสดงไว้โดยพระผู้รู้ทั้งหลายอันเป็นสิ่งละเอียดลึกซึง้งและลุ่มลึกซึ่งจะดูน่าหวาดหวั่นสำหรับเด็กๆที่ไม่เคยศึกษาฉันไม่เป็นอะไรและฉันจะไม่เป็นอะไรฉันไม่มีอะไร และฉันจะไม่มีอะไรนั่นมันทำให้เด็กๆรู้สึกหวาดหวัน่นแต่สำหรับผู้มีปัญญากลับกำจัดความกลัวออกไปสำหรับผู้พูดที่ปรารถนาในการช่วยเหลือสัพพสัตจะกล่าวอยู่เสมอว่าสัพพสัตทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นจากความสาคัญมั่นหมายว่าฉันและถูกหุ้มห่อด้วยความสาคัญมั่นหมายว่า ของฉันฉันเป็นสิ่งที่มีอยู่ของฉันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่นี่เป็นสิ่งที่ผิดในความหมายแห่งสั จ, จธรรมเพราะทั้งสองไม่ได้มีอยู่จริงหากมีความตระนักรู้ต่อความเป็นจริงตามที่มันเป็นกายสังขารและจิ ต, ตสังขารล้วนเกิดขึ้นจากความเห็นว่าฉัน ซึ่งผิดในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดจากต้นเหตุที่ผิดจะถูกได้อย่างไรเมื่อเห็นแจ้งชัดว่าขันทั้งห้านั้นมีใช่สิ่งจริงความเห็นว่าฉันก็จะถูกถอดถอนออกและเพราะการรื้อถอนความเห็นว่าฉันขันทั้งห้าก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับที่กล่าวว่าภาพใปหน้าที่ถูกเห็นขึ้นอยู่กับกระจก แต่โดยแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีอยู่โดยความหมายมั่นว่าฉันมีอยู่โดยขึ้นอยู่กับขันห้าดังนั้นโดยแท้จริงแล้วฉันมันก็ไม่ได้มีอยู่เช่นเดียวกับภาพใบหน้าในกระจกหากไม่ขึ้นอยู่กับกระจกก็จะไม่เห็นภาพใบหน้าเช่นเดียวกันหากไม่ขึ้นอยู่กับขันทั้งห้า ความหมายมั่นว่าฉันก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อคราวที่พระอา น, นุ์ได้สดับฟังความจริงอันนี้ท่านได้บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและท่านจึงกล่าวถึงสิ่งนี้อยู่เสมอต่อหมู่สงฆ์ตราบใดที่ความหลงยึดขันห้ายังก่อเกิดขึ้นในใจความหมายมั่นว่าฉันย่อมเกิดขึ้น เมื่อความหมายมั่นว่าฉันได้เกิดขึ้นมันก็เป็นกรรมและนั่นคือการเกิดแห่งภพชาติกระแสทั้งสามนี้ล้วนเป็นเหตุเสริมต่อกันและกันโดยหาจุดเริ่มต้นท่ามกลางและสิ้นสุดไม่ได้กงล้อแห่งสังสารวัฏนี้จึงหมุนไปเหมือนกงจากไฟเพราะเหตุที่กงล้อนี้ ล้วนเป็นผลมาจากเหตุและปัจจัยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองจากตัวของมันหรือจากสิ่งอื่นหรือจากทั้งสองสิ่งร่วมกันทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตความหมายมั่นโดยความเป็นฉันกระแสกรรมและการเกิดแห่งภพชาตินี้จึงไม่ได้มีธรรมชาติที่แท้จริง ผู้ที่เห็นแจ้งซึ่งการเกิดขึ้นและดับไปของเหตุปัจจัยจึงไม่เห็นโลกนี้โดยความเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงผู้ที่ได้สะดับฟังคำสอนแห่งการพ้นทุกข์เช่นนี้แต่ไม่ได้พิจารณาให้ท่วนทีจะบังเกิดความหวาดหวัน่นต่อสภาวะที่ไม่รู้จะกลัวสิ่งใดซึ่งก็ล้วนเกิดจากความหลงผิดแห่งอวิชชา และทั้งหมดนี้มันไม่ได้มีสิ่งใดเลยอยู่ในนิพพานซึ่งจะมาทำให้เธอหวาดกลัวได้แล้วทำไมความไม่มีอยู่ของมันที่กล่าวในที่นี้จึงสามารถทำให้เธอหวาดหวั่นได้เล่าในความหลุดพ้นมันไม่ได้มีขันห้าหรือตัวตนใดๆหากความหลุดพ้นได้ถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนเช่นนั้น ทำไมการนำออกเสียซึ่งตัวตนและขันห้าในที่นี้เธอจึงไม่พอใจเล่าหากนิพพานมิใช่อสภาวะหรือความไม่มีสิ่งใดแล้วมันมีสิ่งใดหรือสภาวะใดอยู่ในมันได้อย่างไรการดับไม่เหลือซึ่งความเห็นที่ผิดแห่งความเป็นสภาวะหรืออสภาวะ ความมีสิ่งใดๆหรือไม่มีสิ่งใดๆถูกเรียกว่านิพพานในบทสรุปของพวกนัติกะทิฏฐิหรือพวกที่ยึดมั่นในความดับศูนย์คือผลแห่งกรรมไม่ได้มีไม่มีบุญกุศลไม่มีผลแห่งกรรมชั่วนี่เป็นความเห็นที่ผิดในบทสรุปของความมีอยู่คือผลของกรรมมีจริง บุญกุศลย่อมนำไปสู่ความสุขอันเป็นสุขตินี่คือความเห็นที่ถูก